ยังดีกว่าไปยึดถือเอาจิตว่าเป็นตัวตนข้อนั้นเพราะเหตุใดก็เพราะร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูทธรูปทั้งสี่นี้เมื่อดำรงอยู่ปีหนึ่งบ้างสองปีบ้างสามปีบ้างสี่ปีบ้างห้าปีบ้างยี่สิบปีบ้างยี่สิบปีบ้างสาสิบปีบ้างสี่สิบปีบ้าง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 ครูคือพระพุทธองค์แนะให้ถือเอาเกณฑ์ว่าสิ่งไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนและสิ่งใดเกิดดับเร็วที่สุดสิ่งนั้นแสดงความไม่ใช่ตัวตนชัดเจนยิ่งกว่าอะไรที่ไหนซึ่งอันนี้ถักตรองดูด้วยใจเป็นกลางก็จะเห็นความจริงเช่นจิตเกิดดับอยู่ตลอดวันตลอดคืนสามารถคิดพิจารณาจากของจริงในแต่ละคนได้เดี๋ยวนี้โดยไม่ต้องเข้าทางจกงกุม หรือว่าฝึกสมาธิพิเศษขอเพียงรู้นิยามของจิตให้ชัดเจนเพียงพอพระผู้มีรพระภาคตรัสว่าพระองค์บัญญัติสิ่งนั้นด้วยสับหลายคำได้แก่จิตมโนและวิญญาณขอให้พิจารณาจากอธทิตตปริยายสูตรพระสุตตันตปิฎกเล่มที่สิบซึ่งมีการแสดงทั้งสามคำนี้ไว้ในแง่มุมที่ต่างกันครบพร้อมในทีเดียว โดยเริ่มต้นพระองค์ตรัสไว้รวมๆ ว, ว่าทุกสิ่งเป็นของร้อนไม่ว่าจะเป็นสิ่งเกิดขึ้นด้วยผัสสะอายตนะทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วลงท้ายที่ใจอันเป็นอายตนะชนิดสุดท้ายที่เป็นตัวรู้ความคิดนึกคือธรรมรมมนธรรมรมมนวิญญาณมนสัมผัสเป็นของร้อน แม้สุขเวทนาทุกข เ, ทออ ข, ขเวทนาหรืออทุกขมัสสเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมีมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคาโทสะโมหะร้อนเพราะชาติชลาโมรนะโศกะปริเทวะทุกโทมนต์และอุปายาตดูรับพิษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในมโนทั้งในธรรมรมทั้งในมโนวิญญาณทั้งในมโนสัมผัสทั้งในสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุก ข, ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมใครากำหนัดเพราะใครากำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้ว รมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทาเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีข้อสังเกตความแตกต่างระหว่างจิตมโนและวิญญาณที่ประสูตนี้มีความชัดเจนคือเริ่มจากการพิจารณาว่าความนึกคิดเป็นสิ่งกระทบชนิดหนึง่งไม่ต่างจากรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสเมื่อความนึกคิดเป็นสิ่งกระทบก็ ต้องมีอายตนะรับกระทบซึ่งเห็นชัดว่าอายตนะอื่นเช่นตาหูจมูกลิ้นและกายไม่อาจรู้ร่วงถึงความนึกคิดได้ก็เหลือแต่ใจหรือมโนเท่านั้นที่จัดเป็นอายตนะรับความนึกคิดสรุปคือเราจะมองสิ่งนั้นเป็นมโนก็เพราะมีฐานะเป็นอายตนะซึ่งทาหน้าที่รับรู้ความนึกคิด นอกจากนึกคิดอย่างครอบคลุมไปถึงมิติภาพเสียงเช่นที่เกิดขณะหลับฝันหรือนั่งสมาธิด้วยการเป็นเครื่องติดต่ออย่างเดียวก็เหมือนกับเรามีวิทยุอยู่เครื่องหนึ่งมีความสามารถรับคลื่นได้แต่ถ้ายังไม่เปิดเครื่องก็ยังนิ่งทื่อของมันอยู่อย่างนั้นต่อเมื่อเปิดเครื่องแล้ว จะมีสัญญาณวิทยุเข้ากระทบได้ตรงนั้นก็เปรียบเหมือนกับความนึกคิดที่เข้ากระทบมโนเรียกว่ามโนสัมผัสเครื่องวิทยุจะไม่มีอุปกรณ์ชิ้นใดทําหน้าที่รู้ว่าบัดนี้เกิดการกระทบระหว่างตัววิทยุกับคลื่นวิทยุแต่ในคนแลสัตว์ทั้งหลายมีอาการรู้ขึ้นมาสภาพนั้นเองเรียกว่ามโนวิญญาณสรุปคือเราจะเรียกสิ่งนั้น ว่าวิญญาณก็ด้วยเห็นเป็นอาการรู้และจำแนกออกเป็นชนิดต่างๆโดยอาศัยอัยธนะต่างๆเป็นเกณฑ์กล่าวคือถ้าเป็นทางตาก็เรียกจักขุวิญญาณถ้าเป็นทางหูก็เรียกโสตวิญญาณถ้าเป็นทางจมูกก็เรียกว่าคานณวิญญาณถ้าเป็นทางลิ้นก็เรียกชิวหาวิญญาณถ้าเป็นทางกายก็เรียกว่ากายวิญญาณถ้าเป็นใจก็เรียกว่ามโนวิญญาณ ด้วยเพราะว่ามองว่าสิ่งนั้นโดยความเป็นวิ ญ, ญญาณชนิดต่างๆก็จะทำให้เกิดข้อสรุปขึ้นประการหนึ่งก็คือมีอะไรอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับลงอยู่ตลอดวันตลอดคืนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่หญิงชายไม่ใช่เราเขาเช่นอาจเกิดจักรวิ ญ, ญญาณขึ้นชั่วขณะหนึ่งเพราะตาประจวบรูปด้วยเจตนาที่จะมองให้ชัด พอหมดเจตนาหรือตาเบี่ยงจากรูปหรือรูปนั้นเคลื่อนไปจากทางตาก็เป็นอันว่าจักขุวิญญาณนั้นดับลงตกสู่ภวังไม่รับรู้อะไรในแวดนึ่งแล้วค่อยมีเจตนามองรูปอื่นหรือว่าเงี่ยหูฟังเสียงก็ลองทบทวนดูตามนี้ว่าเกิดขึ้นตรงกับประสบการณ์ตรงในชีวิตเรา ก็จะได้ข้อสรุปทางความคิดว่าวิญญาณเป็นสิ่งเกิดดับตลอดวันตลอดคืนจริงๆขอให้ละไว้ก่อนว่าทำไมรู้สึกในตัวตนเดิมยังอยู่ยังปรากฏทนโทษไม่หายไปไหนยอมรับเฉพาะข้อเท็จจริงที่วิญญาณเกิดดับและไม่มีตัวตนในวิญญาณนั้นเสียก่อนเป็นอันดับแรก มาพิจารณาต่อตามที่แสดงในอธิตตปริยยสูตรจะเห็นพระพุทธองค์ทรงชี้ว่ามโนมีคุณสมบัติอยู่ประการหนึ่งคือเป็นของร้อนโดยให้เหตุผลไว้พร้อมศักว่าพิตรัสเช่ น, นั้นเพราะอยู่ในฐานะที่ไม่ถูกไฟลนขออภัยค่ะในฐานะที่จะถูกไฟลนก็ไฟได้แก่อะไร ได้แก่ราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างตรงนี้ก็ทำให้เกิดข้อสรุปขึ้นอย่างหนึ่งว่าเวลาเราตั้งคำถามว่ามโนคืออะไรก็ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับธรรมชาติของการรู้เสมอไปเรากล่าวถึงคุณสมบัติอื่นที่มีอยู่ตามจริงได้เช่นมโนเป็นอะไรที่ร้อนได้มัวหมองได้เป็นต้น มองอย่างนี้เราจะเห็นว่าโมโนก็อย่างหนึง่งโมหะก็อีกอย่างหนึง่งนิยามหนึ่งก็โมหะคือหลงสำคัญผิดไม่รู้ตามจริงเช่นยึดสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่ไม่ใช่เป็นตัวตนก็ว่าเป็นตัวตนโมหะหรือม่านปิดบางโมโนไว้จากแสงสว่างแห่งความจริงทําให้โมโนร้อนอยู่ เดินพล่านอยู่ในกลงแห่งความไม่รู้นั้นวิญญาณจะเกิดดับสกิดวงก็เกิดดับอยู่ภายใต้การควบคุมหุ้มห่อของโมหะอย่างนั้นหนีพ้นไปไม่ได้เลยตรงนี้เองที่เป็นคําตอบว่าวิญญาณเกิดดับตลอดเวลาแต่ทําไมยังรู้สึกว่าเป็นตัวเดิมตนเดิมก็เพราะมีโมหะเป็นกรงขังไว้โมหะขังอะไรก็ขอให้พิจารณาจากอาทิตย์ ตาปริยายะาสูตรนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงจิตโดยความเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่หลุดพ้นจากกิเลสได้คือเมื่อเบื่อหน่ายใครความกำหนัดยินดีทั้งปวงก็จึงเกิดภาวะหลุดพ้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องกล่าวว่าสิ่งที่เดิมถูกขังอยู่ในจิตนั่นเองทำลายกรงขังเสียได้ก็จิตนั่นแหละเป็นผู้พ้น ในขั้นของการหลุดพ้นนั้นจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ามักคจิตและผลจิตซึ่งเป็นวาระแห่งการรู้นิพพานจึงกล่าวได้ว่าขณะดังกล่าวมีการหลุดพ้นและการรู้ควบคู่กันไม่แยกออกจากกาันมองโดยไม่ติดอยู่กับนิยามใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างนี้ก็จะทาให้ไม่เกิดความสับสนขึ้นมา มือม่อมองอีกมุมหนึง่งเริ่มแรกเดิมทีนั้นยังชุ่มอยู่ได้กิเลสประการต่างๆนั้นจิตจะปรากฏเหมือนเมาพยศมีกําลังมากดิ้นรนมากทําลายข้าวของเสียหายได้เหลือคนานับแต่หากควบคุมม้านั้นได้เราก็จะมีพาหนะชั้นดีไว้ใช้เหมือนเช่นที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในอังคุตระนิกายเอกับทุกกานิบาศประศตันตปิฎกเล่มที่สิสองว่า ดูกราภิกษุท sí yes, <pound. S 2> ั้งหลายเรามองไม่เห็นธรรมอื่นแม้แต่อย่างเดียวที่ปราศจากการฝึกแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความไร้ประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตจิตที่ไม่ฝึกแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความไร้ประโยชน์อย่างใหญ่ดูกราภิกษุทั้งหลายเรามองไม่เห็นธรรมอื่นแม้แต่อย่างเดียวที่ฝึกแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่เหมือนจิตจิตที่ฝึกแล้วนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ ย่่างใหญดังจะเห็นว่าแม้จิตเป็นอนัตตาเกิดดับอยู่ตลอดวันตลอดคืนก็ไม่ใช่สิ่งที่เราปล่อยตามเลยตำเลยแต่เป็นสิ่งที่ควรดับ คนขัดเกลาเพื่อประโยชน์ในเบื้องต้นเช่นอยู่ในกรอบของศีลเพื่อสุขในปัจจุบันและอนาคตกับประโยชน์ทั้งในเบื้องปลายหรือว่าหลุดพ้นการครอบงำของกิเลสทั้งปวงบางคนก็เกิดความสงสัยว่าถ้าจิตเกิดดับตลอดเวลาแล้วจะฝึกไปเพื่ออะไรหรือเพื่อหรือว่ากระทั่งฝึกได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องทางความเข้าใจแม้ว่าจะเกิดดับ ก็เกิดดับสืบเนื่องต่อกันสั่งสมนิสัยแล้วก็ตบะบารมีด้านต่างๆได้หาใช่ฝึกและสนวนเปล่าแต่อย่างใดตรงกันข้ามหากจิตไม่ใช่ธรรมชาติที่เกิดดับแล้วก็จะไม่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคุณภาพได้เลยเนื่องจากว่าจิตจะทรงสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งถาวรสรุป ที่กล่าวมาก็คือจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ฝึกได้หลุดพ้นจักจีเลตได้และที่สำคัญคือจิตเกิดดับอยู่ตลอดวันตลอดคืนจึงไม่ใช่ตัวตนอมะตะมาแต่ไหนเข้าใจในแบบยอมรับเก็นเท่านี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกต้องตรงทางแล้วในระดับของความคิดจะเลิกยึดมั่นว่าจิตเป็นตัวตน ซึ่งก็ต้องพัฒนาสูงขึ้นสู่ระดับความเห็นแจ้งเป็นลำดับต่อไประดับปฏิบัติจนเห็นแจ้งตามจริงว่าจิตเป็นอนัตตาหัวข้อนี้ก็จะเน้นให้เห็นว่าจิตตานุปัสสนาไม่เหมือนกับการพิจารณาอายตนะหอย่างที่หลายท่านเข้าใจและสําหรับการพิจารณาอายตนะหกนั้นก็มุ่งให้พิจารณามุมของความไม่ใช่ตัวตนมากกว่าความเกิด ดับแต่ในปัจจุบันการพิจารณาอายตนะหกมักจะมีสัมพันธ์แนบแน่นกับบัญญัติศัพท์ก็คือวิถีจิตซึ่งถอดเข้ามาจากนิยามของจิตและสภาพธรรมอันจัดเป็นจิตอย่างเช่นที่เป็นแน่บทในมหันตระทุกกะพระอภิธรรมปิฎกเล่มที่หนึ่งความเข้าใจแง่มุมของจิตด้วยแนวคิด เกี่ยวกับวิธีจิตอันละเอียดละออนั้นให้ผลดีอย่างใหญ่หลวงในแง่ของการปรับความเห็นให้ถูกต้องตรงจริงว่าจิตไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงสภาวะเกิดดับของจิตลหลายแบบเรียงต่อกันอย่างเช่นการจะเห็นการจะได้ยินอะไรสักอย่างนั้นมีนทั้งขั้นของการยกจิตขึ้นจากสภาพพวังแนวอารมณ์มารับไว้แล้วจึงมีการรู้ มีการพิจารณามีการเสดอารมณ์แล้วกลับตกไปอยู่ในภาวะแห่งผวังใหม่ดับแล้วดับเลยเป็นคนละตัวกันแล้วกับจิตที่อยู่ในวิถีใหม่แต่แนวคิดเกี่ยวกับวิถีเจตนนั้นไม่ใช่แนวปฏิบัติแบบจิตตานุปัสสนากับทั้งไม่ใช่แนวปฏิบัติแบบอายตนะบัปนักภาวนาบางท่านนั้นเมื่อปฏิบัติจิตตานุปัสสนาหรืออายตนะบัปแล้ว อาจจะเกิดผลเป็นความเห็นสภาวะจิตเกิดดับถี่ยิบหรือว่าสามารถประจักษ์อาการของจิตที่ใกล้เคียงกับความรู้สึกเรื่องวิถีจิตทว่าหากเริ่มปฏิบัติด้วยความพยายามเห็นวิถีจิตอย่างละเอียดก็จะไม่บังเกิดผลเป็นความอย่างลงไปรู้ได้เลยฉะนั้นความรู้เกี่ยวกับวิถีจิตน่าจะเป็นข้อมูลสาคัญสาหรับเปรียบเทียบว่า เมื่อเห็นการเกิดดับในขั้นละเอียดแล้วเราอยู่ในเกณฑ์การเห็นความจริงที่ถูกต้องหรือเปล่าไม่ใช่มีความรู้เกี่ยวกับวิถีจิตไว้เป็นตัวตั้งในการปฏิบัติหรืออีกนายหนึ่งพยายามเอาผลมาปฏิบัติแทนที่จะสร้างเหตุสร้างปัจจัยเพื่อผลอันถูกต้องยิ่งกว่านั้นบางคราวความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิถีจิตอาจจะพลิกมาเป็นตัวขวางทาง ทำให้เกิดความไม่มั่นใจรู้จิตตามหลักของจิตานุปัสสนาเสอีกเพราะฉะนั้นก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจิตานุปัสสนาต้องทำกติกาตามแนวทางที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้ว่าเป็นจิตานุปัสสนาคือเจ็ดเป็นที่ตั้งของราคะได้และเราก็สามารถรู้ชัดลงไปในขณะที่เกิดราคะว่าจิตมีราคะ จิตเป็นที่ตั้งของโทสะได้และเราก็สามารถรู้ชัดลงไปในขณะที่โทสะว่ามีโทสะจิตเป็นที่ตั้งของโมหะได้และเราก็สามารถรู้ชัดลงไปในขณะเกิดโมหะว่าจิตมีโมหะจิตมีสภาพหดหูได้และเราก็สามารถรู้ชัดลงไปในขณะที่กําลังรู้ในสภาพหดหู่จิตมีสภาพฟุ้งซ่านได้และเราก็สามารถรู้ชัดลงไปในขณะที่กําลังรู้ อยู่ในสภาพที่ฟุ้งซ่านกล่าวเบื้องต้นทั้งหมดนี้ก็เพื่อห้ามสงสัยว่าจิตกำลังเป็นอกุศลจะเกิดสติควบคู่กันไปได้หรือไม่เพราะตามแนวทางของจิตตานุปัสสนาและพระพุทธองค์วางไว้นั้นระบุชัดว่าให้รู้ขนาดสภาวะต่างๆกำลังปรากฏไม่ใช่ให้คิดเอาหลังจากภาวะอันเป็นอกุศลเหล่านั้นดับลงไปแล้ว การตั้งความสงสัยหรือกระทั่งปักใจเชื่อไว้ก่อนว่าสภาวะอันเข้าฝ่ายอกุศลไม่สามารถถูกรู้ด้วยสติสัมปชัญญะอันเข้าฝ่ายอกุศลขอพัยค่ะอันฝ่ายกุศล น, นั้นจะทำให้การดำเนินจิตไม่เข้าทางจิตตานุปัสนาซึ่งแสดงต่อไปว่าพุโทโธบายนั้น ถ้ากระทาตามอย่างละเอียดด้วยความใส่ใจอันดีแล้วจะให้ผลเป็นความเห็นความประจักษ์ในจิตตนเองง่ายได้หลือเชื่อปานใดหากปิดกั้นปฏิเสธไว้ก่อนหรือไม่ทําให้ต่อเนื่องก็จะเป็นการเปิดโอกาสรู้จักจิตตนเองไปอย่างน่าเสียดายว่ากันถึงกิกาในแง่การห้ามปฏิเสธจิตฝ่ายอกุศลแล้วมาว่ากันถึงกิกา ในแง่การห้ามปฏิเสธจิตฝ่ตายอากุศลกันต่อคือจิตนั้นจิตสภาพตั้งมั่นเป็นฌานได้คือจิตเป็นมหคตตะหรือมหารคตซึ่งแปลว่าสภาพที่ครบองค์ฌานอันแต่ปฐมฌานขึ้นไปสมัยนี้นิยมเรียกอัปปนาซึ่งก็หมายถึงความตั้งมั่นเป็นหนึ่งของจิต นอกจากนั้นต้องยอมรับว่าจิตสามารถรู้สภาวะของตนเองในขณะอยู่ในฌานห้ามสงสัยว่าอยู่ในฌานทำความรู้สภาวะตัวเองได้หรือไม่ตลอดจนห้ามสงสัยว่าสามารถพิจารณาสภาวะของตนเองเป็นอนัตตาได้หรือไม่จิตมีสภาพสูงสุดคือพัฒนาขึ้นไปสู่เพดานหนึ่งแล้วก็หยุดไม่เกินกว่านั้น เราสามารถใช้องค์ชาญเป็นมาตรวัดได้ว่ากำลังไต่ระดับมาถึงตรงไหนจิตมีความแน่วแน่ตั้งมั่นเป็นสมาธิได้และรู้ภาวะอันเป็นสมาธินั้นของตนได้จิตมีความหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นได้คือแยกออกมาเป็นอิสระเหนือการครอบงำของราคะโทสะโมหะเหมือนว่าต่างคนต่างอยู่กับรูปนามอันเป็นเครื่องล่อให้ยึด ดูบนเผินนักศึกษาส่วนใหญ่อาจจะพิจารณาว่าพระพุทธองค์ให้รู้สภาวะจิตทั่วไปทั้งหมดแต่หากพิจารณาอย่างลึกซึ้งก็จะเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงปีกรอบไว้อย่างชัดเจนว่าจะให้ดูอะไรบ้างพูดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จะพบว่าไม่ต้องหลงทางแลวก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่ากำลังกำหนดรู้จิตหรือว่าหรือถูก คอยกตัวอย่างที่มักจะเป็นปัญหาถ้าสำหรับผู้ที่เริ่มต้นที่ยังเต็มไปด้วยความคิดฟุ้งซ้านครอบงำอยู่มักจะพยายามเล็งเข้ามาภายในอันเดียวที่เชื่อว่าเป็นจิตแต่ว่าแท้จริงแล้วแค่สร้างสภาวะแข็งืขึ้นมาแทนสภาพอันเป็นปัจจุบันอย่างแท้จริงตัวเจตนาจงใจรู้จงใจดูอย่างประศจากทิศทางที่แน่ชัดนั่นเอง ได้บทบังไม่ให้เห็นสิ่งใดแม้แต่ น, น้อยแล้วก็ในทางตรงกันข้ามสำหรับผู้ชำนาญภาวนามีสมาธิแจ่มใสแล้วก็มักจะเลือกดูรัศมีจิตอันส่้นสว่างออกมาจากที่รู้เฉพาะตนหรือเข้าไปรู้จากชนิดของจิตผ่านการเปรียบเทียบระหว่างตนเองกับผู้อื่นนับว่าเป็นการรู้เห็นจิตแบบวิปัสสนาเช่นกัน ทั้งที่จริงอาการของการเห็นดังกล่าวเจออยู่ด้วยความติดใจปราบรืมปีติยินดีหรือเจอด้วยอัตตามานะแบ่งเขาแบ่งเรานับว่ารู้แจ้งเห็นจริงในแง่หนึ่งของความเป็นจิตก็ไม่อาจจะเรียกว่านั่นคือจิตตานปัสสนาแบบที่พระพุทธเจ้าสอนใหละวางความยึดมั่น คือมั่นลงได้อุปสรรคในการรู้สภาวะจิตแม้เมื่อยอมรับตามความเห็นที่ถูกเพื่อเข้าทางจิตตานุปัสสนาดังกล่าวแล้วข้างต้นก็ยังมีอุปสรรคอยู่มากมายที่ทำให้นักภาวนากำหนดรู้สภาวะจิตอย่างผิดพลาดหรือซ้าร้ายกว่า น, นั้นคือไม่กล้ากำหนดรู้เอาเลยซึ่งถ้าหากว่าตั้งความเห็นเบื้องต้นไว้ถูกแล้ว อุปสรรคต่างๆก็จะคลี่คลายกลายเป็นความเห็นแนวทางดําเนินจิตชัดเจนของพระผู้มีพระภาคเจ้าการขาดทานบารมีในแวดวงสังคมปุถุชนทั่วไปนั้นดูด้วยตาเปล่าแล้วคนที่เอาแต่ให้อย่างเดียวเหมือนเสียเปรียบแต่ในสังคมผู้ปฏิบัติธรรมหวังพ้นทุกนั้นหากให้เป็นนิกแล้วก็ย่อมตรหนักว่าตอนเราเสียอะไร บางอย่างไปเราอาจกำลังได้บางอย่างมาสิ่งนั้นคือทานจิตหรือว่าจิตที่มีลักษณะเื่อแพรเปิดกว้างปลอดโปร่งไม่คับแคบปราศจากความอึดอัดคับข้องอันเป็นขั้วตรงตามกับลักษณะจิตที่แน่นหนาด้วยความตรีถ้าให้ทานขนาดวันไหนไม่ให้แล้วเหมือนชีวิตขาดบางอย่างไป ตรงนั้นคือเราสั่งสมกระแสการให้จนกลายเป็นนิสัยและชื่อว่าเป็นเจ้าของธนจิตยอย่างสมบูรณ์แบบอั น, นิสงส์ที่ได้รับในปัจจุบันแน่ๆคือความสุขความเยือกเย็นสบายใจเมื่อมองลึกลงมาถึงขอบเขตของการปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์ผู้มีทานเป็นงานอดิเรกย่อมเกิดมุมมองโลกอีกแง่หนึ่งที่ชัดเจนแตกต่างจากคนอื่น คือเห็นว่าวัตถุทั้งหลายนั้นจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมีใจเข้าไปปลูกสาระแท้จริงของวัตถุจริงๆคือเป็นตัวแปรจะมีฐานะเครื่องล่อให้ยึดก็ได้หรืออุปกรณ์ฝึกปล่อยวางก็ดีขึ้นอยู่กับเราจะเลือกกำหนดมองให้มันเป็นอย่างไรตัววัตถุเองตามตัวเราไปแห่งผลตำบลไหนไม่ได้ให้ติดตามจิตวิญ ญ, ญาณไปยังภพภูมิอื่น ยิ่งหมดสิิต์ตนิสัยที่เราละโมบเอาวัตถุเข้าตัวหรือบริจาควัตถุออกไปนั่นแหละที่ก่อทุกข์กอสุขเป็นเงาตามใจเราไปทุกผลทุกแห่งไม่ว่าพบนี้หรือพพหน้าความแตกต่างระหว่างนักให้กับนักเอานั้นเริ่มดูได้ตั้งแต่สีหน้าสีตาเรื่อยไปถึงกระแสจิตอันเป็นแนวโน้มความพร้อมที่จะสละ จะละวางแบบผู้ภาวนาเห็นอนิจจังแจ่มแจ้ ง, จงคนระหนีทีเหนียวจัดจัดจะไม่มีทางเห็นกายใจเป็นเพียงวัตถุหนึ่งที่ถมทิ้งได้เหมือนเศษความคิดเข้าตัวมีแต่จะเอาท่าเดียวเหมือนอยางเหนียวที่ยึดใจไว้กับฐานความโลภจะให้เกิดความตั้งมั่นรู้เห็นปลอดโปร่งเที่ยงตรงต่อสัจจะนั้นนับเป็นเรื่องไกลเกินฝัน ต้องรู้จักที่จะสละรู้จักที่จะไม่หวงไว้ไม่ยึดไว้เหมือนขณะแห่งการปล่อยนกจากอุ้ง ม, มือให้เป็นอิสระหรือเหมือนปล่อยลูกโป่งให้หลุดลอยขึ้นฟ้าเมื่อถึงเวลาการให้ทานบ่อยๆแม้เล็กน้อยยังดีกว่านานทีจึงจะให้ทานใหญ่โตมโหฬารขอแสดงชับประสพระสุตตันตปิฎกเล่มที่สิบสอง ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสกับนักบวชนอกาศาสนาผู้หนึ่งชื่อวัชชะอันจะทำให้หลายคนที่อ้างว่ายากจนหมดโอกาสทําบุญได้เปลี่ยนความคิดเสียใหม่ถ้าว่าเข้าใจเรื่องทานจริงแค่คิดก็เป็นทานแล้วแค่ไม่ต้องลงทุนหยิบยื่นของหรือหาซื้อมาเป็นพิเศษแต่อย่างใดเลยดกะวัชชะเรากล่าวว่าผู้ใดาสาดน้าล้างภาชนะ หรือว่าน้ำล้างขันไปแม้บ่อน้ำคลมหรือว่าในบ่อน้าโสโครกข้างประตูบ้านซึ่งเป็นสัตว์อาศัยอยู่ด้วยความตั้งใจว่าสัตว์ที่อาศัยแหล่งน้ำนั้นจะดํารงชีพอยู่ได้ด้วยของที่สัดไปโลกระวัตจัเรากล่าวกรรมซึ่งมีเพียงการสาัดน้ำล้างภาชนะนั้นเป็นเหตุที่มาแห่งบุญท่านแบบเอาทรัพย์สินหรือว่าสิ่งของอัน เป็นสิธเพราะตนไปแจกจ่ายนั้นเรียกว่าทรัพยยทานจัดว่าเป็นทานขั้นต้นยังมีทานที่ละเอียดกว่านั้นเช่นอภัยทานคือให้อภัยทั้งรู้ว่าตนเป็นฝ่ายถูกเขาเป็นฝ่ายผิดหรืออภัยไม่ผูผโกรธในเรื่องที่บาดหมางเมื่อให้ทานชนิดนี้เป็นนิดจะทำให้ผู้นั้นมีจิตไม่ย้อมติดด้วยโทสะคือเกิดโทสะขึ้นมาก็เหมือนไฟ ที่ลุกเล็กน้อยแล้วมอดดับเร็วเพราะขาดเชือ้อเหมาะควรแก่การดูว่าโทสะเกิดแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาสำหรับทานขั้นสูงสุดได้แก่ธรรมทานคือการพูดหรือการกระทำใดๆอันจะนำปัญญาไปให้ผู้อื่นยิ่งถ้าหากทำนั้นมีอยู่ในตนจริงก็จะเป็นทานที่บริสุทธิ์เหมือนผู้คลองซับโดยชอบ ย่อมบริจาคโดยปราศจากมนทินทานชนิดนี้เหมือนเทียนต่อเทียนก็คือยิ่งต่ อ, อยิ่งสว่างไม่มีดวงสว่างใดกดหายและพิเศษกว่าเทียนต่อเทียนก็คือธรรมทานนั้นหากเป็นคำสอนหรือคำแนะนำจากคุณธรรมที่มีอยู่ในตนจริงระดับทานศีลหรือภาวนาก็ตามก็ย่อมทบเป็นทวีคูณแก่ตนเอง เช่นเมื่ออธิบายผู้อื่นให้ทำใจตั้งมั่นตามแนวทางที่ถนัดคำอธิบายนั้นย่อมทำให้ตัวเองบังเกิดความกระจ่างชัดทั้งในหลักการและรายละเอียดยิ่งขึ้นไป